คำว่าสติปัญญาที่แปลมาจากคา intelligence นั้นถ้าใช้ถ้อยคําตามภาษาศาสนาใช้ปัญญาคําเดียวก็พอเพราะปัญญาที่ดีจะต้องมีสติกํากับด้วยดังจะกล่าวต่อไปข้างหน้าผู้เขียนใครเสนอให้ท่านผู้อ่านสังเกตว่าในพระพุทธศา ส, สนานั้นไม่มีที่ไหนเลยเมื่อกล่าวถึงศรัทธาความเชื่อและจะไม่กล่าวถึงปัญญากากับไว้ด้วย ซึ่งเห็นได้ชัดเหลือเกินว่าในที่ใดใช้ศรัทธาความเชื่อในที่นั้นจะต้องใช้ปัญญามีกำกับไว้ด้วยเสมอ